แต่ก่อนไม่ต้องมีเงินนะพออยู่พอกินหากินไปได้เรื่อยๆนี่ลาบากงันอนาคตข้างหน้านะแค่มาถึงวันนี้เราก็เห็นสังคมเปลี่ยนไปในทางที่เงียบเหงาว่าเวรุนแรงหนักขึ้นหนักขึ้นข้างหน้าต่อไป30 40ี่ปีข้างหน้าจะมันจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเั้นอนาคตนะั้นมันนึกไม่ออกเลย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 พยายามมาฟังหลวงพ่อนะพยายามมาฟังหลวงพ่อแต่ไม่ลงมือปฏิบัติกาว่าฟังไปแล้ววันหนึ่งจะปิ้งได้วักทองนะฟังแล้วปิ้งบรรุเลยโอ้โม่ง่จริงเนี่ยอ่านหนังสือเซนหรือฟังนิทานเซนมากไปนิทานเซนเห็นไหมพระบางองค์ได้ยินอีกร้องก็บรรุแล้วอย่างอีกคิวสังนะ่งะได้ยินอีกร้องแล้วบรรุบางองค์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 ฉันข้าวเสร็จแล้วล้างบาตรล้างบาทขณะที่ล้างบาทอยู่เนี่ยมีแมววิ่งมางปึ๊บปหมาอีกหลายตัวตามหลังแมวมแมวกระโดดขึ้นต้นมะละกอปึ๊ บ, บขึ้นไปอยู่บนยอดไม้หมาก็มาเห่าอยาล้อมรอบต้นไม้แมวหันหน้ามาแล้วแมวก็นึกยเยาะเย้ยหมาแกทำอะไรฉันไม่ได้หรอก บอกหลวงปู่ดูลนะใจก็ปิ้งให้มาเลยใจยิ้มเย่อกิเลสขึ้นตอนนั้นว่าแกทําอะไรชั้นไม่ได้อะถ้าเราได้วิญปัติน์นี้เราต้องไปเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวปลกมะละกอเนี่แล้วมันจะบรรลุปะมันโง่ไหมมันโง่โง่สุดๆเลยเอราเลี้ยงหมาไว้น้อยๆให้เลี้ยงหมาหลายตัวเลี้ยงแมวน้อยๆถึงเวลาก็ปล่อยให้หมาไล่แมวนะวก็ให้ปลูก ตอนมาทางต้นบรกกรกอเราก็ไปหาถ้วยหาชามมานั่งล้างเผื่อเราจะได้อะไรกับเขาบ้างโ <c oughs> ง่นะห <c oughs> น้าที่เราอย่าไปหวังอะไรล ม, ล ม, ลมลๆแรงๆนะไม่มีอะไรได้ฟรีหรอกของฟรีไม่มีครับของฟลุ๊กไม่มีนะในทางศาสนาฟลุ๊ไม่มีของฟรีไม่มีอของฟลุ๊ ก, ม, ม, นะ ก, ม, ม, กมีแต่ของที่ต้องลงทุนลงแรงทำเอาด้วยตัวเองทั้งสิ้นเลยคือกฎแห่งกรรมนะั้นมันยุติธรรมที่สุดใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้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 กดเอาไว้เพ่งเอาไว้กำหนดเอาไว้ใจทื่อๆอริยะแบบซอมบี้ผมพ่อก็ทำเป็นมาง่ายจะตายอีกพวกหนึ่งอริยะเคลือบเคลิ้มต้องยิ้มหน่อยๆนะถ้าอริยะเคลือบเคลิ้มเล้วไหลนะเล้วไหลไม่ได้มีสติเลย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 ถ้าทำจริงจังจะกลายเป็นการเพ่งทั้งหมดเลยไปเดินจงกรมแล้วก็ต่อไปนี้ถึงเวลาเดินจงกรมนะ้ว <c oughs> <c oughs> ถ้าเดินก็แปลกๆเคยมีหลวงพ่อเคยเห็นคนหนึ่งเดินจงกรมเ น, นี่ยยกเข่าเนี่ยขึ้นมาถึงเอว <c oughs> มีนะว่ามันเดินเหมือนเต้นโขนเลยตึบตับตึบตับนี่แหละเดินดี <c oughs> นี่ไม่ขาดสติเลย <c oughs> ขาดสติแท้ๆเลยบอกไม่ขาดสติ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 เดินไปเห็นร่างกายมันเดินเดินไปแล้วใจลอยแล้วก็รู้เดินไปแล้วใจไปเพ่งเท้าก็รู้นี่หัดรู้สภาวะอย่างนี้นะรู้กายบ้างรู้ใจบ้างก็ได้แต่ว่าอย่าให้เยอะนะเอานิดนิดหน่อยหน่อยสงสอย่างก็พอละอย่าให้เกินนั้นเนะช่นเดินจงกรมอยู่ก็เห็นร่างกายมันเดินนะเดินไปแล้วบางทีจิตก็ไปเพ่งกายก็รู้ทันจิตหลงไปคิดก็รู้ทันนะรู้จิตเผลอจิตเพ่งนะ